เรื่องพระราชทธานตำแหน่งแพทย์หลวงเมื่อพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐทรงหายประชวนจึงรับสั่งให้สตรีห0 0รนางแต่งตัวเต็มยศแล้วให้เปลื้องออกรวมเป็นห่อรัดกับชีวกโกมารพัทว่าชีวกเครื่องประดับทั้งหมดของสตรีห0 0รคนนี้เป็นสมบัติของเจ้า ชีวโกโมารพัทกราบทูลว่าอย่าเลยพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ปโปรดระลึกว่าเป็นหน้าที่ของข้าพระองค์พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครดรัฐตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงบำรุงเรากับพวกฝ่ายในและภิกษุสงฆ์มีพระผู้มีพระภาคทรงเป็นประธานชีวโกโมารพัท กราบทูลรับสนองพระราชดำรัสว่าควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรดพระพุทธเจ้าข้า